ถ้หัดภาวนาทุกวันทุกวันต้องฝึกส่วนมากก็ทำเป็นแล้วมันไม่ได้ยากอะไรรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกตัวได้แล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆดูกายดูใจมันทำงานไปต้องรู้สึกตัวได้นะันแค่มีสติมีสมาธิตรงที่อาศัยสติไปเห็นความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญา ม, มีปัญญาก็พ้นทุกข์ไม่มีปัญญาไม่พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้พวกเราพาวนาะเข้ารองเข้ารอยเยอะขึ้นนะกว้างขวา ง, วางไปประเทศอื่นหรือไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังซีดี ฝันสีดีภาวนาเป็นรู้สึกตัวเป็นแยกธาตุแยกขันเป็นแต่ก่อนไม่ค่อยมีนะแค่รู้สึกตัวเป็นอย่างแทบไม่มีเลยมีแต่นักปฏิบัติแบบเพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจมันผิดธรรมชาติธรรมดาไม่ได้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นส่วนมากก็ไปเพ่งเอาเพ่งในกนลรูปแบบพวกหนึ่งก็ไปเพ่งลมหายใจพวกหนึ่งไปเพ่ง การบริกรรมพวกหนึ่งไปเพ่งท้องพองยุบเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าจ้องเพ่งอย่างเดียวทำกรรมฐ า, านมีแต่เพ่งเอาเพ่งเอามันสุดต่งไปข้างบังคับตัวเองพอหมดแรงเพ่งก็ร้ายเหมือนเดิมวนเวียนอยู่แค่นั้นเองเข้าไปที่แต่ละที่แต่ละที่นะที่หาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลย แต่เดี๋ยวนี้พวกเราคนที่รู้สึกตัวได้นับจำนวนไม่ถูกละนับไม่ท้วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยไม่ได้ให้หรายงานตัวมันเลยขั้นนั้นมานนานละสามปีหลังเนะี่ยสังเกตไหมหลวงพ่อสอนเือนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์เยอะขึ้นเยอะขึ้นแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นออก เดินปัญญาได้แยกรูปนามเป็นปัญญาเบสิกที่สุดเลยปัญญาเบสิกคือการแยกรูปนามเรียกนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้แต่ก่อนก็มีคนพูดถึงนามรูปปริเฉทญาณ น, นะแต่ตีความแล้วมันเคลื่อนไปหมดเลยโสรยา น, นเคลื่อนไปหมดอย่างว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งอันนี้แยกรูปกับรูป ไม่ใช่รูปกับนามแยกรูปกับนามก็คือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นสายอภิธรรมมีสอนนะสายอภิธรรมมีสอนแต่ว่าตอนรู้นี่ไปเพ่งเอาสายอภิธรรมส่วนมากเลยเนี่ยจะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ฝึกเรื่องจิตอยู่ๆก็โดดเข้าไปเจริญปัญญาเลยข้ามบทเรียนเรื่องจิตสิก ข, ขาไป ที่จริงเรื่องข้ามจิตสิกขาเนี่ยข้ามกันแทบทุกที่เลยกระทั่งไปรู้ลมหายใจนะก็ไปเพ่งลมหายใจทําแต่สมาธิไปมุ่งที่คําว่าสมาธิไม่ได้มุ่งคำว่าจิตสิกขาบทเรียนที่ถูกของพระเจ้ามันศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าจิตสิกขาถูกต้องแล้วจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องนะ ถ้าไม่มีจิตสิกขาเนี่ยไปทําสมาธิมันจะได้สมาธิที่ไม่ถูกชนิดเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชานเพ่งในอารมณ์เดียวเป็นสมถะกรรมฐานหายากมากเลยที่สมัยก่อนว่าจะรู้สึกขึ้นมาได้นะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นแค่คนรู้คนเห็น ถ้าจิตเป็นผู้เพ่งนะมันทำวิปั ส, สนาไม่ได้วิปั ส, สนามาจากคำว่าวิกับปั ส, สนะปั ส, สนะการเห็นวิว่เาเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือการเห็นนะเห็นอย่างที่มันเป็นจริงจริงการไปเพ่งมันไม่ใช่วิปั ส, สนาไปข่มใจเอาไว้ไปอะไรนะมันไม่ใช่องค์ธรรมของวิปั ส, สนา หรือการคิดพิจรารณาการคิดเรียกว่าวิตกไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยมันจะเคลื่อนไปหมดเลยเคลื่อนทําวิปัสนาไม่ได้จริงถ้าทําวิปัสนาไม่ได้จริงโอกาสจะได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ยังไม่มียกเว้นนะพวกที่บารมีแก่กล้าจริงๆในสมัยพุทธกาลมีคนที่บารมีมากๆไม่ได้ทําวิปัสนานะ พวกนี้เขาเคยทำมาก่อนสร้างบารมีมาเยอะเขาขาดอะไรเล็กๆน้อยๆในบารมีส0บข้ออย่างบางคนได้ยินคนเขาสารรเสริญพระพุทธเจ้า เ, เกิดศรัทธาศรัทธาเต็มขึ้นมาแล้วก็ขาดเลยนะเพราะว่าตัวอื่นเขาทำมาดีแล้วของพวกเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่ดีสักตัวนะอย่าเพิ่งดีพร้อมแนละ้วไม่ต้องทำวิปัสสนานะไปไม่รอดหรอก นะถ้าบารมีเขาแก่กล้าจริงนะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องมิปัสสนากรรมฐานเรื่องสติปัฏฐานนะแต่ทั้งเรื่องสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศบวงกวางนะเทศคนทั่วๆไปเรื่องทําทานถือศีลเรื่องทําความดีจะครองชีวิตในโลกจะทําอะไรเนะี่ยที่สอนธรรมะระดับนี้นะคนฟังก็ได้ธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมเขาเต็มแนละ้ว ขาดน้ําอีกหยดสองหยดเขาก็เต็มแล้วของเราขาดอีกตุ่มสองตุ่มเนาะแล้วก็ทําเอานะไม่ท้อถอยแต่ถ้าเราเดินตามบทเรียนที่พุทธเจ้าสอนนะโอกาสที่เราจะ ก, ก้าวหน้าขึ้นไปมันก็มีนะอาทิศีลสิกขาทําไงศีลเราจะเป็นอาทิเลยอย่างยิ่งเลยศีลอย่างยิ่ง น, ะนงั้ศีลอัตโนมัติศีลนะไม่ใช่ไปขอจากพระอันนั้นศีลธรรมดา ไม่เข้าขั้นอาทิหรอกอาทิศีลสิขาเนี่ยนะมันเป็นศิลที่ประนีตึ้นมาเพราะว่าอาศัยสติรักษาจิตไหสติทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนะเราไม่ได้รักษานะอะไรเกิดขึ้นกับจิตเราคอยรู้ทันมีสติรู้ทันหน้าที่มีเท่านั้นนะมีแค่คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นคอยรู้อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ในใจด้วยกิเลสอะไรเกิดก็รู้นะ กิเลจะดับอัตโนมัติเลยศีลทำหน้าที่รักษาให้เราเราไม่ต้องรักษาจิตสติจะเป็นตัวรักษาจิตสติจะเป็นตัวรักษาจิตพอจิตได้รับการดูแลรักษาดีจากสติศีลอัตโนมัติมันก็มีขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนี่ไม่รู้หลักไม่รู้แก่นนะรูปๆคํคาๆเฮ่ยเาไปอารธนาศีลไปไหนตะกอนนะชอบอาราธนามากเลยศีลก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าไม่ค่อยเอาไปทําจริงรักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติขาดสติซะอย่างเดียวศีลก็กระเจิดกระเจิงหมดแล้วงั้นะจะรักษาศีลได้ดีต้องมีสติรู้จักหลวงพ่อคําเขียนไหมพ่อเคยเจอท่านนะตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งมาอยู่จุฬาไปเยี่ยมท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปเทศที่ที่หนึ่งนะท่านก็สอนเรื่องเจริญสตินี่นหะ แล้วพระเทศจบนะไอคนจัดงานก็นมาว่าท่านทำไมท่านไม่สอนศีลสมาธิปัญญาสอนอะไรแต่เรื่องสตินี่ว่าท่านนะแล้วท่านก็หัวเราะนะท่านก็บอกเขาก็ถูกของเขานะแต่เราก็ถูกอย่างเรานะจย์ปมุดเนอะอย่างเงี้ยถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาคือเข้าไปที่แก่นของการที่จะเกิดศีลสมาธิปัญญาด้วยซ้าไปนะ งั้นถ้าขาดสติตัวเดียนะกุศลไม่มีเลยนะจิตดวงใดไม่ประกอบด้วยสติจิตดวงนั้นไม่ใช่มหากุศลจิตไม่เป็นจิกุศลเลยงั้นถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้เมื่อนั้นมีสองชนิดจิตสองชนิดนะที่ไม่มีสติอันหนึ่งเรียกว่าอาคุศลจิตจิตชั่วๆทั้งหลายไม่มีสติหรอกอันที่สองก็คือเรียกว่าวิบากจิต จิตที่มองเห็นตาที่มองเห็นรูปอะไรอย่างนี้นะขณะที่มองเห็นจะไม่มีสตินะขณะที่หูกระทบเสียงจิตไปรับรู้เสียงเนะี่ยไม่มีสติหรอกเป็นวิบากเฉยเฉยถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมาจิตเป็นกุศลทันทีเลยนะถ้าเมื่อไร่ขาดสติก็ตกจากกุศลทันทีเลยนะพระอรหันต์มีจิตสองอย่างนะมีกุศ ล, ลจิตนะแต่เขาไม่เรียกกุศลเราเขาเรียกกริยาจิตกับวิบากจิตวิบากก็มีวิบากจิต ยังเป็นวิบากอยู่เนี่ยถ้าเรามีสตินะคอย ร, รู้ทันอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันสีนาตนมั่นจะเกิดเราไม่ต้องรักษาจิตนะสติที่รู้ทันนะั่นะจะเป็นตัวรักษาจิตสติทำหน้าที่อารักขาเนี่ยสติทำหน้าที่อารักขาอารักขาจิตจากอะไรจากความชั่วนะ แล้วถ้ามีสติเนี่ยวิริยะจะเกิดอัตโนมัติเลยเอามีสติรู้ทันจิตใจนี่นะอากุศลที่มีอยู่จะดับทันทีกุศลอากุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศนละจะเกิดขึ้นทันทีที่เกิดสตินะแล้วกุศลจะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆนะอาศัยสติแล้วก็ได้วิริยะด้วยใช่ไมได้หมดอนะ่ะได้มีวิริยะมีสติวิริยะแล้วอะไรอือ <c oughs> ตอบไม่ถูก มีสตินะได้มาหมดนะมีวิทยะก็ได้ทุกอย่างละที่ดีขึ้นไปดีขึ้นไปนะถ้าไม่มีสติก็ไม่มีความเพียรที่ไปนั่งสมาธิโต้ตรุ่งเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ําถ้าขาดสติซะอย่างเดียวไม่เรียกว่าทําความเพียรอยู่เรียกว่าทําอะไรทําความลําบากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดินจงกรม10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะเดินไปไม่มีสติตัวเดียวยนั้นทําตัวเองให้ลําบาก นะเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยกก้าวไปด้วยความรู้สึกตัวนะทําความเพียรอยูนะ่ถ้าก้าวไปแล้วใจลอยอันนี้เป็นอกุศลนะต้องแยกนะเรื่องของจิตเรื่องใจทําให้ฉลาดในเรื่องของจิตเรืนะ่องการภาวนาะยากมากเลยนะค่อยๆสังเกตไปนะมีสติรู้ทันกนะิเลสอะไรเกิดรู้ทันไม่ห้ามมันนะไม่ใช่ห้ามเกิดกิเลสกิเลสเกิดแล้วรู้นะ กิเลสจะดับอัตโนมัติจิตจะเป็นขุศสขึ้นมาจิตมีศีลขึ้นมาอาศัยสตินี่แหละไปรู้ทันเวลาจิต ท, ที่เคลื่อนไปถ้าเอาสติไปรู้ทันกิเลสนะจะได้ศีลถ้าเอาสติไปรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจะได้สมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตความเคลื่อนไปของจิติต ท, ที่เคลื่อนไปนะ ฟุ้งซ่านจิตเคลื่อนไปไหนได้บ้างจิตเคลื่อนไปดูรูปเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปฟังเสียงไปทางหูเคลื่อนไปดมกลิ่นไปทางจมูกเคลื่อนไปรู้รสทางลิ้นเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยจิตจะเคลื่อนได้หกช่องการจะดูจิตเคลื่อนทั้งหกช่องเนี่ยดูยากมันเยอะเกินมือใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องดูหกช่องเอามันช่องเดียวคือทวารใจ ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรกระทบอารมณ์ไปไม่ห้ามมันนะให้มกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาก็เรามีตานะได้ตามาก็เพราะมีบุญนะจะเป็นตาบอดซะก็ไม่มีบุญมีตามีหูเนี่ยได้มาเพราะบุญทั้งนั้นเลยนะมีตาที่ดีมีหูที่ดีมีจมูกดนะีมีลิ้นที่ดนะีมีกายสัมผัสที่ดีเนะีนะ่ยเป็นบุญทั้งหมดเลย <c oughs> เราก็อาศัยตัวนี้แหลนะ เป็นสะพานเป็นทางผ่านไปสู่ปัญญาให้ตาตามองเห็นรูปมันมีตามันมีรูปให้ดูมันมีแสงสว่างมันมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นมันก็เห็นรูปไม่ห้ามเห็นก็ได้นะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทางใจให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงก็ได้ยินไปมันมีหูมันมีเสียงมันมีอากาศ ที่เป็นสื่อให้เสียงมาถึงหูนะมีจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางหูไปฟังเสียงมันก็ได้ยินเสียงไม่ห้ามแต่พอได้ยินเสียงแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมานะให้รู้ทันเกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาให้รู้ทันนะตามองเห็นรูปเฉยๆเนี่ยยังไม่เกิดสุขเกิดทุกข์นะตามองเห็นรูปเป็นวิบากไม่มีสุขมีทุกข์อะไรตัวนั้นเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขา หูได้ยินเสียงก็ยังเป็นหูเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์นะสุขทุกข์มาเกิดที่ใจนะดีชั่วมาเกิดที่ใจงั้นพอตามองเห็นรูปเนะี่ยถ้าสังเกตให้ดีจิตตรงนี้จะไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะจิตที่ไปเห็นรูปมันเป็นมิบากจิตไม่มีกิเลสบางคนไม่เข้าใจตรงนี้นะบางคนไปเอาสติเนะี่ยคอยกาหนดอยู่ตรงจิตที่เกิดที่ตาเอาสติไปกาหนดตรงจิตที่เกิดที่หูอะไรอย่าไ ง, ไงนะี้ ตรงนี้มันไม่มีกิเลสเพราะกหนดไปเรื่อยเราบอกว่าไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสถูกแล้วไม่มีกิเลสเพราะเป็นวิบากจิตนะงนั้นอย่าไปกําหนดที่ตาที่หูนะปล่อยให้มันทํางานไปเดี๋ยวมันสะเทือนเข้ามาถึงใจเราจะไม่ตัดวงจรไม่ตัดวิธีจิตปล่อยให้จิตทํางานไปตามธรรมชาติเราจะได้เรียนรู้มันจะได้เห็นอย่างที่มันเป็นถ้าอย่างตามองเห็นแล้วเรากําหนดไว้ที่ตาปุ๊บจะไม่มีอะไรเลยจะว่างๆไปแล้วก็บอกไม่มีกิเลส ถ้าไม่ไปเพ่งเอาไว้ที่ตานี่นะแต่เดียวเดียวก็เกิดเรื่องแนละแค่ตาเห็นรูปนี่เพ่งได้สี่แบบนะตามองเห็นรูปหนึ่งไปเพ่งรูปนะข้อสองไปเพ่งตาเพ่งเพ่งที่ประสาทตาข้อสเพ่งที่การกระทบตัวนี้ดูยากหน่อยอันที่สี่เพ่งที่จิตที่เกิดที่ตาเพ่งได้สแบบนะที่ตาตามองเห็นในตำรามไม่มีหรอกนะอันเนี้ยนะลองทํามาแล้วก็เลยสรุปออกมาให้ฟังได้ ถ้าถ้าไปกำหนดอยู่สี่จุดเนี้ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นการแทรกแซงเลยวิธีจิตจะขาดหรือจิตจะไม่ทำงานต่อจะหยุดอยู่แค่นั้นนะในที่สุดก็เหมือนคนพิการตามองเห็นกำหนดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะต้องปล่อยให้มันทำงานนะพอตามองเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งนะทาหน้าที่ส่งสัญญาณส่งสัญญาณมาที่ใจนะ พอส่งสัญญาณมาที่ใจมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนไอ้จิตที่ส่งสัญญาณนะมีจิตตัวหนึ่งขึ้นมาพิจารณาว่ามันคืออะไรตัวนี้แหละสัญญาจะทํางานในช่วงนี้นะสัญญาจะเข้าไปหมายว่านี่มันรูปอะไรนะเสร็จแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นคนตัดสินเลยว่ารูปนี้ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจนะพอตัดสินเสร็จแล้วคราวนี้ถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตนะมีจิตอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนเสเวยอารมณ์ พอสเสวยอารมณ์ไปทําตามกิเลสบ้างกุศลบ้างนะจิตจะหมดพลังแล้วมันจะเซฟข้อมูลจิตจะเซฟข้อมูลในตำราเขาเรียกนักตัทาล์ลพนธจิตจิตนจะเซฟข้อมูลเก็บไว้ไม่มคล้ายๆเราปิดคอมพิวเตอร์เวลาชัดดาวอะตอนน้นมันจะเก็บข้อมูลไว้ตอนนี้นเก็บกุศลอกุศลที่ทำนั่นมันจะเก็บเป็นวิบากตกตะกอนเข้าไว้ในใจของเราถัดจากนั้นจิตจะตกผวังนี่วิธีของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เราอย่าไปแทรกแซง ตามองเห็นรูปนะมันนึกขึ้นได้ว่าโอ้ยอนางคนนี้ไม่ดีเลยนี่สัญญามันทํางานแล้วนะใจเกิดโทสะขึ้นมารู้ทันมันนะต้องปล่อยให้มันทํางานนะเราถึงจะเห็นว่าธาตุแท้ของเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราไปล็อกมันอยู่ที่ตาเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเขบอกไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีสิมันเป็นวิบากจิตมันจะไปมีกิเลสได้ไงนะกิเลสเกิดที่จิตชนิดที่เรียกว่าชวนะจิตคือจิตที่มาเสวยอารมณ์มาเสพอารมณ์ ส่งสัญญาณมาแล้วนะมาพิจารณาว่าคืออะไรตัวนี้สัญญาจะทํางานละนะแล้วก็ตัดสินเลยว่าดีชั่วถูกผิดอะไรนะชอบไม่ชอบแนละ้วจะปรุงความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ดีชั่วค่อยปรุงขึ้นมาตรงนี้แหละจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราดูกันตรงนี้ต่างหากงันะ้นปล่อยให้จิตทํางานตามธรรมชาติธรรมดานะตาเห็นรูปก็เห็นไปหูได้ยินเสียงก็ได้ยินไปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่ให้มันทํางานไปตามธรรมชาติ ถ้าทำงานแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกรู้ทันเกิดดีเกิดชั่วรู้ทันงั้นเราไม่เป็นล็อกจิตให้นิ่งอยู่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกนะคนบอกพระรักษาจิตอยู่ภายในนิรันดร์นี่จะบรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่ถ้าจิตไม่ออกไปดูรูปแล้วก็บรรลุทําง่ายนะคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าจิตไม่ออกไปฟังเสียงแล้วบรรลุง่ายนะคนหูหนวกจะไปก่อนเราถ้ากายไม่รู้สัมผัสแลอะไรสัมผัสไม่รู้นะคนเป็นโรคเรื้อนจะไปก่อนเรา ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใชหให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสู่เกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันคอยรู้ทันอยู่ที่ใจนิ่งนะหัดอย่างนี้มากๆนะฝึกไปด้วยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะถ้ากิเลสมาเกิดกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันใช่ไหมได้ศีลถ้ามากระทบปุ๊บจิตถลัมออกไปแล้วจิตจะไปเสพอารมณ์พอใจตามองเห็นทีแรกยังไม่รู้อะไรนะพอ สัญญาแปลเรียบร้อยเลยนี่นางงามจักรวาลมาเดินใจเกิดโลภะาละจะทยานออกไปเรามีสติรู้ทันใจที่ทยานนะใจจะตั้งมัน่นใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไปกุศลเกิดขึ้นก็ดับไปโลภโกรธลงเกิดขึ้นก็ดับไป การที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปอันนั้นแหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดพิจารณานะการคิดพิจารณาเป็นแค่จุดตั้งต้นเป็นจุดกระตุ้นสำหรับจิตซึ่งมันติดนิ่งติดเฉย น, นะจิตไม่ยอมเดินปัญญาก็าคิดพิจารณาเข้าไปแต่ถ้าจิตมันเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาคได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธยังจำหลวงพ่อพุธได้ไห หลวงพ่อพูดจะพูดช้าๆนะนพูดไปเรื่อยๆหลวงพ่อพูดเคยสอนบอาว่าสมถะเน่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจนะมีปัษนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนะเพราะอะไรคิดเป็นวิตกวิปั ส, สนาว่าเห็นนะเห็นอย่างที่มันเป็นงั้นตราบใดที่เรายังคิดอยู่นะเราตกจากวิปัสน า, นะมาเมื่ออาทินี้แหละก็มีใครมาเข้าคอสงพ่อจาไม่ได้แล้ว ก็บอกหลวงพ่อว่ายัางโกรธขึ้นมาก็โกรธหนออะไรเงี้ยนะโกรธหนอนี่คิดนะนี่คือการคิดและขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าจิตโกรธขณะนั้นเป็นกุศลแล้วนะตรงที่โกรธหนอเนี่ยจิตไม่เป็นวิปัสนาล้วจิตตกจากวิปัสนาอีกรอบนึ่งแะ้วนี่ใช่ไหมเออ มันไม่ขึ้นวิปัสสน า, าหรอก็วนอยู่แค่นั้นเองนะกลายเป็นเพ่งจะติดนิ่งติดเฉยนะเพราะมันเป็นสมถะนะเวลาทําไมบางทีครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้กําหนดลงไปกําหนดนี่เป็นแค่หัดรู้สภาวะเท่านั้นเองการเตือนตัวเองนะเฮ้ยนี่โกรธนะอย่างนี้เรียกว่าโกรธนะถึงไม่ไปบอกว่าหนอมันก็พูดเองใช่ไหมเวลาพวกเราความโกรธเกิดขึ้นมันบอกไหมว่านี่โกรธนะมันก็พูดของมันเองแหละนะ นี่โลภแล้วนะเนี่ยบางทีเขาบอกอย่างนี้นะไม่ต้องหนอก็ได้หนอเพราว่าสองมีสองเท่าเลยนะแต่เบื้องต้นติดหนอก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมอะไรนะหนอหนอไว้ก็ยังดีดีกว่าทำบาปนะแต่ว่า<อ>จิตมันจะเป็นนิ่งเพราะขาะนั้นเป็นการตรึกเป็นวิตกเป็นการตรึกนะถ้าเป็นวิปัสสนาจริงนะ ตามมองเห็นรูปใช่ไหมเกิดราคาเกิดโทสะอะไรขึ้นมานะรู้ว่ามีราคารู้ว่ามีโทสะอันนี้เรียกว่ามีสติแล้วเห็นว่าราคาโทสะนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาแค่นี้เองไม่ต้องเห็นขนาดนี้ก็ได้แค่เห็นว่าตามมองเห็นรูปโทสะเกิดเห็นโทสะแล้วนะเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่เห็นอนิจจ์นะเห็นอนิจจง ตรงที่เห็นว่าโทสะก็ถูกปรุงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าเห็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเห็นถ้าดูกายจะเห็นทุกขังกับอนัตตาชัดถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาชัดร่างกายเนี่ยดูให้เป็นอนิจจังยากนะดูยากแต่จิตเนี่ยเป็นอนิจจังอย่างรวดเร็วเลย นั่งส่องกระจกกว่าจะเห็นอันนี้จังนานใช่ไหมนะแต่ใจเราตอนที่ส่องกระจกเนะี่ยคิดไปร้อยเรื่องแล้วนะเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นะต่อไปเรื่อยๆ เ, นะเช่นมองไปเุ๊ยผมหงอกละนะตกใจเสียใจนะต้องไปย้อมมคิดไปเรื่องอยาย้อมผมยี่ห้อไหนดีนะ เพื่อนคนนั้นเคยบอกว่ายี่ห้อนี้ดีคิดจะถึงเพื่อนออินังนี่ต่อแหลเชื่อมันไม่ได้หรอกเดี <c oughs> ๋ยวทาเข้าไปหนะ้าหัวงอกยิ่งกว่าเก่าอยู่หัวล้านไปเลยนะ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยมนันต่อไปเรื่อยนะจิตเนี่ยเปลี่ยนรวดเร็วมากเลยนะมือระดับพระพุทธเจ้ายัางบอกว่าจิตเนี่ยรวดเร็วท่านบอกกายเนี่เป็นคูหาเป็นถ้ำให้จิตอาศัยอยูนะ่จิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนมีทีละดวงนะ แล้วเกิดแล้วดับด้บดวยถ้าใครว่าจิตเที่ยงนะั้นต้องรู้นะมิจฉาทิฐิเลยนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วเนะมื่อระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วนะต้องเร็วจริงๆนะถ้าสติอะไรของท่านบริบูรณ์ไม่มีใครเสมอนะละเราดูมันนะทำตัวเป็นแค่คนดูสบายๆดูกายก็ได้นะเห็นกายมันมีแต่ทุกข์เปีบกคันนั่งอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์ละนะเมื่อยไหมนั่งแล้วเมื่อยไหม นั่งเดี๋ยวก็เมื่อยต้องขยับขยับไปขยับมานะเมือ่อยรูกขึ้นเดินได้ก็ดีเดินนานๆเมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยถูกความทุกข์บีบคั้นนะถ้าสติดีวบบ น, นั้นเห็นนลยหายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกนะไม่ใช่ทุกบีบคั้นทุกอิริยาบถหรอกทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเขา้าออกนะท่าไปเห็นแล้วจะเยนร่างกายนี้มากเลยมีแต่ก้อนทุกข์ปนนิบัติดูแลแทบตายเลยแต่ก็มีแต่ก้อนทุกข์ จะดูง่ายว่าเป็นก้อนทุกแล้วก็ดูง่ายนะว่าเป็นอนัตตาเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นแค่วัตถุอนัตตาของกายเนี่ยดูในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นแค่วัตถุอนัตตาของจิต ด, ดูในแง่ที่ว่ามันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจคำว่านัตตานี่มีทั้งห้าในยะนะมีทั้งห้าในยะกายกับใจเนี่ยแสดงอนัตตาด้วยกันทั้งคู่แต่เด่นอย่คนละมุม เนเงินกลมมุมกค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยนะจะเห็นบางทีบางท่านสติปัญญากแก่กล้าเห็นเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายนี้ที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนจิตนี้ก็ทํางานไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นไหมอย่างนั้นก็เป็นอนัตตาอีกมุมหนึ่งมีหลายมุมนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งในห้ามุมนั้นก็พอแล้วไม่ใช่ต้องรู้หมด่ะ ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนิดเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้เยอะเพราะคนมันเยอะจริตนิสัยเยอะท่านเมตตามากกรุณามากท่านก็ให้ไว้เยอะนะค่อยดูนะเพราะฉะนั้นอาศัยสตินี่แหละกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันศีลจะเกิดจิตไหลไปรู้ทันสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนะก็เป็นปัญญา ทำให้ครบนะศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเรียนบทเรียนทั้งสามนี่จบนะยังไงก็เป็นพระอรหันต้องเรียนหน้าที่ของเราคือเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญานี่แหละเป็นตัวพาให้พ้นทุกข์แต่การเรียนเนี่ยเรียนไม่ใช่เรียนอย่างปริยัตนะเรียนจากของจริงดูจากของจริงดูสภาวะธรรมจริง ตรงที่เราเรียนรู้สภาวธรรมจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาที่อัตโนมัติที่แท้จริงเขาจะเกิดขึ้นนะ <c oughs> ค่อยฝึกไม่ยากอะไรหรอกเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์